ให้ม่ยให้สนใจกับคำภาวนากับรู้ลมไม่ใจเขาออกเป็นสำคัญแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรืเ่องศีลถ้าหนักเทว่าก็มีความสะดวกถ้าเท่าศีลในบริสุทธิ์มก่อนก็ตั้งใจว่านับเบัดานี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตเราจะมีจิตไม่ละเมิดศีลห้าเป็นอาขาดตั้งจิตให้เด็ดเดียว การเริ่มทรางจิตแบบนี้ด้วยความจริงจังความรู้สึกทางความเป็นจริงมันก็เกิดขึ้นในเรื่องมีสินความมันม่นใจในสินมีนมสสเื่อสมาธิสดทงตัวเมื่อสมาธิทรตัววิปัสสนาใหญก็เกิดในเรื่การเหนึ่งสำหรับผู้ใหม่ทราว่ายังไม่ได้ก็เพิรู้สึกเพิเ่มเข้าใจว่าเรายังไม่เข้าใจกาแรแพร่ลงของจิต การแชร์ลงคอรจิตในดับแรกในตอนต้นรับเป็นบัตรนี้เป็นต้นไปตั้งใจฟังคำเสียเสียงแนะนําด้วยรู้ลมไม่ใจเขาออกไปด้วยแต่ก็ไม่ต้องภาวนากําลันหยุดเสียงคําแนะนําแล้วให้รู้ลมเขาออกกับคำภาวนาให้ตรงตัวเวลาภาวนาก็อย่าอยากไม่ควรจะไปโน่นจะไปนี่ จึงอยาอยากคิดยอะไรเห็นนั่นเห็นนี่อย่างนี้เป็นวอวบนไปไม่ได้ไปไม่ได้เวลาภาวนาก็อยู่แค่ภาวนาเขาลงใจเขาออกทําใ จ, จาสบายเบาๆจะให้เครื่งเครียอเกินไปอย่าเร่งเกินไปทจจไําใจสบายเวลาครูผู้สอนเข้าไปแนะนำตอนนั้นหยุดภาวนาุีการพิจารณาหมด การดี่นันลดจากอารมเสืเ่อมไปนันคืออ์สมเด็จตัมาสมาสมุรทรเจ้าวไว้นี่คำใเห็นนั่นก็คือความรู้สึกขันตนตามที่บอกมาแล้วเหตุที่เขาว่าที่ยังทำไม่ได้กหมือความไม่ยอมรับอารมเดิมเพราว่าถ้าเขาถามว่าเวลานี้สมเด็จตุลาสมาสมุทรเจ้าตรทับอยู่ข้างเราหรืเปล่าดูความรู้สึกของจิตเวลานั้นเราสมาธิมาบังคับเราไม่ได้ เป็มากไม่คิดว่าอาจจะไใเต่าเองแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าว่าจิตเรกว่ามีก็ต้องมีถ้าไม่มีก็ใส่ปัดขันห้าจิตก็ยอมปัดแค่นี้เรื่องของการปัดขันห้าและตรงจริตให้เข้าถึงนิสัยนารายณจริงๆอารมณ์ตนนี้จะต้องเข้าถึงอย่างจริงจางขึ้นหนึ่ง เ, เราจะต้องเป็นโู้มีสิลบริสุทธิ์จริง ตั้งใจไว้ว่านักระเบิดลี้เป็นต้นไปเราจะโสตีนให้บริสุทธิ์เระว่าติงเพรอย่างยิ่ยงติงห้าถ้าได้สมาธิเรอยะคุมรมไม่สรงตัวแต่จะใช้เวลาให้มากอย่าเคร่เคียดเกินไปเวลาน้อยๆให้ใจเข้าให้ออกตักติรอบได้เข้านัา่งมะให้ได้ออกปัทะเวลาสุด แค่นี้ทั้งสิบครั้งเลยสิบครั้งนเราไม่ยอมให้อารมณ์อื่นเข้ามายุ่งกับจิตถ้าเมืทาว่าขณะดที่เราทํ า, าปล่าไปอารมณ์อื่นใจสบายใจใจสบายก็ต่ออีกสิบครั้งเข้าออกเข้าออกเข้าออกเลยสิบครั้งนม า, า, านมมะปาทะนามมะปาทะเนี่ยสิบครั้งท่านใจอย่างนี้ไม่ใช่คนได้ที่ไม่คาว่าไม่ได้ในปานเพียงได้แต่ว่าอารมณ์หลง คำว่าหลงๆก็หมว่าไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าสิ เ, เองอันนี้ก็เดยๆไม่ได้นะในตอนี้ไปก็ขอพูดรวมการปฏิบัติวันนี้ก็ขอต้อมแบบย่อๆนะสาหรับคนใหม่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ต่างตื่นแต่ต้องฟังไว้ถ้าเราเป็นคนใหม่ก็ต่้งใจสร้างใจกัจนเมื่อี้นี้ถ้าอินทร์ต้นในนุบายตุกวาสิาสกา รอมจิตใจสังโยติเข้าไว้พยายามอ่านใจตัวเราเองดูใจตัวเราเองให้มันพบเมื่อกายยัติที่เรายังมีความรง้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นพวกเราอยู่หรือเปล่าหรือก ว, ว่าคนนั้นต่อคนนี้แหน่คนนี้ขี่คนนี้ล้นนนอนมันซับซึ้งพวกเราจิตเยียวหมกมุ่นคืบยัเกินพอดีหรือเปล่า คำว่าต่อคำวาแม่ไม่ใช้จะเราจะลืมเราไม่ลยแต่ก็ต้องมีความรู้สึกพ่อเขาดีแม่เขดีโลกก็ดีหลายคนดีเหลงคนดีตัวเราเองคนดีพี่คนดีล้องกนดีนั่นมันอยู่ในร่างกายที่เต็มไปด้วยธาตุจะไม่ได้คฟังสุขภพฟางเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นต้นขึ้นจิตกายกายเป็นเรือร่างเปี่ยายโซกราว มีความเกิดในเรื่องต้นมีการเปลี่ยนแปลงกลางมีการสลายตัวเป็นอดีตไม่ตา่ทางร่างกายเราร่างกายเขาก็ฟางคิดเลยคิดดูว่าร่างกายมันต่างจะกส่ได้ร่างกายไหมคนนั้นตายคนนี้ตายเราจะเสียใจไหมเข้าขอที่มีอยู่สักสิ้นมันสลายไปเราจะสิ่ได้มันไหมถ้ายังมีจิตอะไรอยู่ก็ถือว่าใหญ่ใช่ไม่ได้ เรื่องบทเรื่องศาสนาที่ติดตวนี้ไม่ได้ข้อสองที่สามส่า ว, ว, วาเราไม่เชื่อมันอม่นเนอก็์เด็กสมาธิที่จะเจ้าเรื่องไม่ได้ก็ที่สามสีะระปตา ป, ปรมามัดเรื่องข้องสีนี่จะยเฉพาะอย่างยิ่งพระมีสิท้าบทองอี่ฟังสีท้าบทันทุกวันเนี่ยมีความเข้าใจทางสี้าบทุกเปล่า มีข um, ้อไหนบ้างที่เรายังบกต้องให้ให้การวิเคราะห์ตัวเองกลับวงตัวเองเป็นตั้งขึ้ที <ten> ่เรายังไม่ได <protecting neighborhoods. S 2> ้อะไรจริงๆเพราะเราไป็บกต้นในศีลถ้าไม่บกต้นในศีนเรื่องนี้ก็ไปขอไม่ยากต่อไปก็กามาฉันทะการมาฉันทะนี่เราต้องตัดต้องกระต้นตัดจนตันที่ว่าลักแรกบุตมาเป็นเนคขมะบารมี เมตธรรมวรมีเรื <Wars> ่องตรงก็คือระงัี่ว่าถ้าไม่บวชเข้าจริงๆก็ต้ิว่าตัดเป็นขั้นยามตัดขั้นเด็าการไม่ันทะยังมีอยู่ในจิตไหมในสีสวยก็ใจในสีสวยไหมเสียงก็ชอบใจในสียงก็ไหมอินเอร์เนั่นแนลฮอมชอบใจในอินอมัไหม ถ้าเขาปราหารแล้วโตอร่อยตอกใจแล้วไหมจะมีความปกปันในกายสัมผัสระหว่างเพศไหมถ้ายังมีอยู่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แต่ใช้ไม่ได้ทำยังไงก็ใช้ได้ก็แช่สุตกรรมทายกับกายกราาักส า, า, า, าแล้วก็ที่เจรนาศึกษาธรรมแล้วก็พระจ้จิตจิตตัวต่อไปข้อที่ห้ า, าก็เออด้แก่ปฎิฆาสใจแล้วก็กตั้งอ า, ารมณ์ ใจเราก็กระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเนะเรายังสามารถคุมติอยู่ไหมยังมีความหวั่นไหวเขาก็โกรธเลยหรือเปล่าคือว่าวันเอาเราความโกรธตอนนั้แล้วคือว่าความโกรธไม่มีแล้วถ้ามันยังมีอยู่ก็ต้องทำทีิใหจตรงอยู่แล้วไม่หารไปให้เป็นปกติอารมณ์มันจะดี การคันจิตไม้ทรงสมัยสี่เปโลติไม่ต้องทำไมมากหรอกไม่สร้างก็หมดไปถ้าเราทรงจริงๆไอ้ที่ม่นทรงไม่ได้เพระมันไม่ทรงคืไม่ต้องการจะรู้ไม่ต้องการจะปฏิบัติไม่ต้องการจะละใจจิตมันกินกินใหม่ๆม้นก็ลืมบ้างหลงไปบ้างเผลอไปบ้างเหมือนกับเราอาจกินข้าวแหละที่แรกก็กินไม่เป็น เราทำเราทำเราทำไมกินจะกินในข้าก็ได้จะกินใกระเจียบก็ได้จะกินในมือก็ได้จะกินในการตดตอโก้ก็ได้อะไรเลยก็ได้ทุกอย่างถ้าเราทำเนี่ยเรา่องความโกรความเป็นไบถ้าเราไม่ตอกใจมันอยู่เพราะว่าเราไม่ตรงตัวมีหางสีแารว่าทนนักปฏิบัติทุกคนนละถ้าไม่มีความมีหางสีถ้าไม่มีอะไรดีเลยสิงก็ไม่บริสุทธิ์สมาธิก็ไม่ทรงตัววิปัสสนาใหญ่ก็ไม่เกิด ที่ว่าที่ว่ า, ท, วาที่ว่าเกิดมาตกตัวในศาสนาเสียทีวเกิดเมื่อ เ, เ, เสียค่าเกิดกันแล้วกันเพราะว่าเราฟังธรรมะเราฟลงีงินัยแต่มันยังข่ามันต้องหลายวาระแต่ว่าเราไม่สามารถจะละมันได้มเจะไม่สามารถจะลดมันได้เราคนเร็วเต็มทีก็ทีหกรูปราคะสองเร็วเป็นทัน อารมณ์เราทานโลไม่รู้เปิดทานโคตรเบลกเปิดตาไปแล้วคนนี้พอหลงหลไม่รูเปิทานและรูเปิานต้เสียเกินไปข้าใจว่ารูปทานและรูเปิานไเีเกินไปที่สุดแล้วไม่มีการพักไม่มีการพอนไปโลสมิดตาไปบ้างไปโลบาไปบ้างบนหลงไดรูปิานแล้วรูเปิทานปีใต้ราวงอารมณ์ได้อยางการเราต้องใช้แต่ยัหล เพว่าทานไม่สามารถทำให้เราปนิปันได้แต่ทานเป็นกำลังต่อเติมให้เราไปปิิปันคือใช้ความพิติจนายานช่วทานตัวให้พิพินายานทรงตัวท่านี้มาขอทิ่แปดมานะารซือตัวถือตนเทียนถือว่าฉันบทก่อนเธอเตอบทที่หลังฉันฉันบทที่หลังเอเธอเป็นตัว เอามาจากชาติจากคุน e RA <okay. S 1> ั่นเอเมนะนะอย่างนี้ฉันเอมีความรู้อย่างนั้นฉัมีความรู้อย่างนี้ไอตัวมานะประเทศนี้มันยังมีอยู่ในใจหรือเปล่าถ้ายังมีการคอยู่ก็ยังเหลวถ้าอาชวเราเข้ามาในเสดศานาทุกคนมีศีราะบทร้อยร้อยี่สบเจีระบเสีคำพูดจะมีสมาธิอย่าแรงเ่อขับระรับประคองใจ มีปรัชนายาในตัวเปลืองทำไมจะต้องสือเนื้อซื้อตัวซี้อสัสกสีลในการซือประเภทนี้และโตๆโโได้ด้วยันตายด้วยกันในที่สุดต่างคนต่างแก่ตายด้วยกันใจระวางได้หลดยอย่างที่ตัวหนึ่งก็คืออุปจักรถ้าลงโทษกันลงโทษตัวนี้เป็นข้ออนาคามีนี่คงไม่มากที่มีความโพ้อเคิดว่าเท่านี้พอแล้ว ครั้งนข้นอนาทําเปนรแต่อารมัดตอนนี้เราก็ตัดถึงจาระาขัน้ายังไม่อยู่คาว่าขอยังไม่มีถ้าเราอย่างไม่ถึงอนาผลเพียงใดที่ว่าคำว่าขอในการปฏิบัติโดยศาสนายังไม่มีสำหรับเราข้อดีสิกวิชาวามโง่เราสามารถตัดขันฆากรนไรที่มีอยล่า สันธะมีความพอใจในร่างกายเองเรามีความพอใจในร่างกายขเขากับคนอื่นมีความพอใจในสัสว์สงเขเรามีความพอใจในสัตวสงเขากับคนอื่นพันธะแต่ตัวนี้ตัดนาได้อย่างถ้ายังไม่ได้เลยเกินไปเพราะตัวนี้เป็นตัวของธาตโลภีสำหรับสันธะตัวที่ว่านี้เป็นการตัวตัดขั้นตัว ถ้าเราพูดถึงขั้นตั้นต่ำระได้ไหมสาระไม่ได้คนเร็วมากเพราะว่าชั้สูงทำไมความว่าชั้นท้าเราตัดเป็นมนุษย์ละโลกคนดีเทวโลกคนดีพุทธโลกคนดีไม่ต้องการเราต้องการสิริพัน์เราท้าเราเห็นมนุษยโลกเป็นไปตามสุขภพเทวโลกกับพุทธโลกมีความไม่ไมือนกที่เรามีว่ามาสองอย่างเดียวสิริพัน์ อารมณ์ผิดของทุกท่านเข่าถึงจุดนี้ปีต응ิของทุกข่านอาเข้าถึงอัปยาสิกคำว่าอัปยาสิกก็จะมีอารมณ์เป็นสุขมอารมณ์สบายหมายความอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ไม่ควรใจเราอารมณ์ที่เป็นกามาวิจารกุศก็ไม่ควรใจเราอารมณ์เราควรจะความผ่อนใจไม่มีความหมุนหมุนมาหคุณมัวไม่นอนจิตเปได้ความทั่ววังตรงแต่ความดี ที S <S <yst enti uk boxing> ่กรนีไม่งมงมาศาสนาอะไรทั้งหมดมีสิดตลอดเฉพาะอย่างยิ่งคือบริกัรนี่ด้านสิ่ข้อนี้ข้ามนาที่สุดทั้เลนทุกท่านพยายามไปตสัทธ์้องแท้ดีก็เป็นหน้าที่ของเราแม้แต่อมารสุภุมาริตาที่เข้ามาปฏิบัติในพุทธศาสนาต้องเป็นอยู่กันถ้าเราไม่ยมงมาศาสนาโยสิบริการการเกิดมาเ็ราะพุทธศาสนาที่ปฏิญาที่เกิด ไม่ม <icana>, ีความเดยนเหตุการณ์นี stein, inn, ้พรเจ้าอการอารมณ์ต่อไปสัรดาทักรบรริษาทุกขั้นสร้างกาให้ตรงทำโบกจิตให้ใหม่กำหนดรู้ลมว่จใจเราออกแต่คำภาวนาและวิจารณาการปฏิญาณไจยิ่งขว่าจะถึงเวลาที่โคโคกรจะเข้าไปและนำทาน การตั้งใจการทำและนำปฏิฆานที่การเจริญเมรตาทานของบรรดาเจ้าผร้เนต่เป็นการเจริญเมตตาทานแบบไหนก็ตามที่ใช้คาว่าแบบไหนก็หมายความว่าการเจริญเมตตาทานนี้มีสี่แบบคือแบบสุขสโตเโต โอาสหทัตตทุกร้กท so ma ี่เกะไรนันแบบที่วันีเห็นสีเห็นธรรมดาเห็ไรทั้งหมดที่กัดกิเลนปนิงสตวชั่ันสามาถลกษณได้มี่มีมีตามีกาลังใจเป็นที่เสวรรค์ั้ ถ้ายากป็อยู่แดงิได้ปฏิสันติขัตตุที่มีความพิเศษคภูมิคาาสามในญญสี่ก็สา ม, มารถุปิานสัมบัติคือมีคนณลักษณะต่างกันในได้ในข้อสี่ย่อยแต่เนแท้จริงก็จะ็นอาหารเหมือนกันไปชีเลสตหมดสีสสถาหานเหมือนกัน ยิ่งแต่จะนั้นว่าการเริญพระธรรมฐ า, านร้อยสี่แบบนี้ท่านเดีพอใจแบบไหนก็ตามให้ือความเื่องหมายว่าเราชอบการเป็นพระพิริยเจ้าโดวยว่าจะเริยนจะทำใจจะศึกตัวว่าทำพอจะมีใสโดวยว่าต้อปฏิบัติใจก็ปฏิบัติกันไป มันจะเป็นไหมที่สร้างกายกาลังใจที่มันจะเป็นไปถ้าอไศัยกำลางใจแบบนี้การเจริตก็จะมาถ่ายก็ให้โอาสคุณหมายความว่าไม่คุ้มกับกายเสียเวลาการงานที่แบบปกิจะต้องขอเวลาานผู้ดูบริษัทให้สร้างใจ ว่าการจะเรียนก็มรรมาเพราะเราเนี่ยเราต้องการเป็นพระอริยเจ้าอันับพระที่สุดท้ายิี่สุมันต้อเป็นตัวโซลาบันไว้ก่อนต้องแต่ตัวโซลามันนี่เป็นไม่ยากตัวปฏิบัติแบบง่ายๆราขึ้นอยู่กับกำลังใจเราเองโดยเฉพาะ ตัวนหญ่ทานปฏิบัติที่ไม่มีคาลเข้าใจก็เรื่มต้นงึ้มาก็ประยุตธ์อรารมณ์ขบวหขันขุนยา <c oughs> การขึ้นกันไม้ข้นไปขึ้นจากคนต้นตายสริงที่ละจริงต้องจร่งอันใดการเจริญท่านรมาขายข้อมือกันในอันดับนี้มไม่วันดา่านพรบรมราชทุกคนที่ยังไม่ได้ ให้ตั้งใจเว้ว่าอันดับนี้เราจะต้องแตบัตรนี้เป็นคนไป <c oughs> เราจะโตกำลังใจเพื่อเป็นเรือสุนดาบันแต่ว่ามันทำไม่ได้เั็นยอดชายไป่ไดเลย่การเดินไปทำงานฐานต้องมีชีวิตเป็นเดิมพันต้องดูตัวอย่างของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันที่จจ้ารันอเมซเซตมมาตมพูดยันตอนน้านั้นรงธรมันุนนัายวันทึกตีโองนเด็กเสกนีไม่ได้ผลลัพธ์ผลถ้าวันที่้ายโอคนเด็กเสกผลตรงตัดสินไล้ไถยว่าเราจะนั่งอยู่ตัวนี้เมื่อเจอเมื่อคนละเอียดแท้งไปก็ตามที ยิ่งกินรีก็อยาจะอาสยก็ตามถ้าเราไม่ได้ส ม, ส ด, มดุลกับกาลังนการงาเราเราจะไม่ยอมรู้จากที่นีป็นใน้ขาดเอกการเงินเราจมาใชยก็ต้องดูท่านผู้นำพระบุทรเจ้าท่านนำด้วยกำลังใจแบบนี้เราก็จะต้องมี่งกำลังใจเช่นเดียวกับท่าน แตว่ากำลังใจที่ะเราจะใช้อ่อนกว่านั้นมากคือมไปเนหนึ่งในหลายล้านเกิดเป็นตองนี้เรียว่าเวันนั้นตัดใจจะตัดใจจะเป็นเราได้เจ้าแต่ว่าวันนี้จะตัดสินใจจะเป็นโสนาบาไปซึ่งมันต่ำกันมากแต่ว่าเราไม่มีกําลังใจพอที่คิดว่าโสดาบันเป็นของยาก ก็ไม่ควรจะเดินกระมัฐานเสียเลยเวลาทำมาใหจริงไหนๆมันจะเป็นเบียร์ต้องบายคุณแล้วให้เป็นไปโดยสะดวกเพราะว่าแต่โสดาบันขาดบายะคุณกาลังใจที่จะเป็นแตโสดาบันขั้นทํายังไงแต่โสดาบันตัดไปโยกไปสามแล้วก็ยังยากอีหนึ่งสกายะทิสิ มีความรู้สิดตัวอย่างหยาบๆว่าเรานี่ต้องตายแน่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงยังไงยังไงเราก็ตายแน่นอนถ้าตายแล้วผ่านมันใจเท่าไหรลยู่ตานที่เราได้ใจคนสัตว์ไม่กิเลสทั้งกิเลสทุกต์ิปลสติางหากถ้าลมใจเท่าร่เลย ก็ตายแล้วก็จะเกิดเป็นปัตยามลายะพูนคือเป็ัตยรก็จะเจอกาย i เดชฐนที่เต็มบริสุทเกิดทุกติปาริการาขาดที่ใจสะอาดสะอาดใจตายแล้วจะความเป็นคนถ้าจะเป็นคนใหม่ก็เกิดเป็นคนที่มีความดีกว่าเดิมแต่ไม่ยั่งยืนาเกิดเป็นโยนดาเราเกิดเป็นค ดั่นั้นทางของทางนี้เราเลือกเอาทางที่ดีทางที่ดีในขั้นเดินโซนดาวไปก็มีอะไรแนละเมื่อเราทํางมนว่าเราจะต้องตายแล้วาคิดถึงความตายเม่ใจออกอยู่อนพลอ่อนเข้าอ่อนไมเสีย่ยงนั้นหรืว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรก็ต้องตายแน่การตายไม่มีนิสัยมี่หมายแต่ยังไว่าเรายังยังสาวยังไม่ตายนั่มันไม่ได้ เมื่อแกแล้วแต่ยังไม่ตายก็มีตัวชีวิตของคนตารคนตายไปเลยของแม่ของมีคนเกิดที่หลังเราเขาตายก่อนเราสมเสียไปคนเกิดก้อนเราก็ตายก่อนเราสมเสียไปเราต้องตายแม่แม่ที่าอไราจะตายเราก็หาทางนี้ก็ยม่ถูคเพื่อที่จะนาสิงห์ที่องคํามจ็จะจำมาท่านพระพเจารณาสอ ในทอดใหญ่นี้ต่อส่วนนามันต่อสิ้นข้าเป็นสำคัญแต่ว่าท่านคงมีเพื่อจต่อสิ้นตามเองอาินพะต่อสิ้นต่อร้อิบเป็นเมนต่อต้งสิสอุมะมาดีใจที่กราสาธิตใตลอดสาธิตใจครบ้วนอุมะาดีใจที่เาสิ้นาและต่อสิ้นข้าครบถ้วน โดยเฉพาะอย่าง so so ท ada, so, ี่ข้าพเ้าเป็นพราวว่าถ้าเราไม่สมาธิกแตกตัโตดามันกติขาดามีมีศีลข้าเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องรักษาศีลให้มั่นคงราะว่าถโาเราทำเรการที่จัโตะดาบันะาดามยังกายิศที่ทิศอะไรจะอออสายไม่เสมอ ตอนิีิาเราเชื่อมั่นในคาสอนของสมเดจสัามมาสัมพทจาด้วยปัญญาที่มานั่นในที่นี้ก็แสดงวเชื่อแล้วับเรามั่นใจในคานสอนของพรนะพุทธจ้าแล้วเราจะมาเจริญสมาธิกั น, ก น, าานถ้าเราเคยคิดว่าจะาลงแล้วตยวเองีไม่น่าจะรอธรรมานี้ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ควรจะมา นี่แสดงว่าพวกเรามั่นใจไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธสมายพระพุทธเจ้าข้อทีสามสิ่งและประารประมาณข้อดีสุ่หดิษฐ์และจิตใจอิสระบรรจงอันนี้เราขอคำแนะนำอย่ามีที่ไหผู้ที่ขยันยอดจะไม่บอกข้อจะบอกี้ที่ปฏิบัติว่าใน เรามีเมีความไม่ประมาทในชีวิตว่าชีวิตทขาราี้สองตายแน่โดยตาแน่นอนตอนนีไม่ถึความตายไม่จะมืออ่อนเขาอ่อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแนี้เราบอกที่ไดไหมแต่ข้อที่สองเราไม่สงสายในคำสองเราะเราสมามธา ให้ปัญญาที่จะน้าวคำของพระพุทธเจ้านีแน่นอนสองต่อสามเป็นเพียงใคราครจะมีศีลบริสุทธิ์ตามเท็จถ้าจป็นบ้าปกติมีศีลห้าบริสุทธิ์มอถบริกาที่รเกษาที่แปต้องทิ้งปบริสุทธิ์เล็นต้องิ้สิบบริสุทธิ์ถ้าต่องิ้สองร้อยเจ็ดบริสุทธ์ ข่านี้พอทาได้ไหมแต่นอกจากนั้มีอารใจทิศเดียวคือรักมิตราเป็นอารมณ์คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทาเสื่อามดีเราไม่รับตอบแทจากใครในทานนไเราทาทุกอย่างเืตามเป็นปาิและทำเพื่อิตเราเห็นว่าท่านป็โนทุก ร่างกายชีวิตเป i นของเที่ยงแต่ชีวิตเป็นของยั a ความตายเป็นของเที่ยชีวิตเป็นของไมเที่ยงเพราะเราเทุกวันท่แก่ลงไปทุกวันขณะที่ตัวที่อยู่มีการปวดไข้เม่เป็นปกติแลมีความตายในีปิจัยน ทมใจให้เป็น e สุขเมากการอะไรเราไม่เกิดสิ่งไอ้ปัญญาจาไม่นก็อค่ปัญญามากหม่ของมันมีเห็นทุกวันเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความแตกติดตามมาเปยนรรมดาไม่ว่าใครทุกคนหลีกเที่ยงความแตกไม่ได้เราต้องมีความรู้ติตัวเ็าเรามันแกเองแทุกวัน นนที่พิจตอยู่มันก็มีการป่วยไข้ม่สบายเป็นธรรมดาแต่ในที่สุดที่เราก็ต้องทายอการามอย่างเม่มันเกิดขึ้นกับเราเราจะไม่หวั่นไหวอาการที่มันเกิดถือว่ามันเรียกธรรมด า, าเราไม่ยไม่ก็เคไม่ท แ, แต่นึกต่อไปว่าอารนี้ไม่มีความหมายมีศึาพนบ้านเรา มันมีธาตสีมีส่าพจุสศัตรูมีความเป็นพุกทุกทางออกที่มีได้ก็ตาอใสร่างกายเป็นกันขันจำคำพระนามสี y สงมีพัตโตสุขโการเข้าไปสมอบกายนั่นที่ว่าเป็นกทตัวเราไม่ต้องการมีกายเป็นมนุษย์เราไม่ต้การมีกายเป็นจักรวาลได้รับผลอีกเราต้องการบรรลัย อจิใจเขามันนาแล้วก็ยิั่นี้ไอไอปฏิบัติได้หนอนี้ไปเข้าใจวิธีปฏิบัติในการสังเกุพลวิธีตน้มีพลวิิแปลว่ามีลวิิหายใจยังการจะรู้การเห็นอะไรไม่เหรู้่เห็นไม่รู้ายมีการวัดสมถะบนจิตขาดเสมาธิท่านจะมีทุกคนบริบภ การไปเห็นข้าดับคนลรียนตาของถ้าศีลไม่ศีลดีสมาธิไม่ขยดีวิปัสสนา ย, ยาไม่สันดีตองเห็นเนื้อการเนื้สมัวก็เป็นใจทำลายใจสำคัญเรน่องขอบันดาลใจเพาต้องมีการสืนการปฏิบัติววบแบบนี้จะต้องกข้มงวดในสารอย่างเื็นมีศีลบริสุทธิ์ได้ศีลจะมาริสุทธิ์แพาที่มีแล้วก็มไม่มีผล มันต้องบริสุนปกถ้าเดินไม่บริสุทก่็ใสใจเรื่องการบนี้เป็นปัจจัยถ้าเราใส่ใจแบนี้เป็นปัจจัเราจะอาศัยกำลังใจควบคุมสิห้บริสุทธิ์เป็นปกติเพื่กว่าจะันลมใจถ้าเราใส่ใจได้อาศัยกลังใจที่เป็นสมาธิควบคุมสิ่ให้เป็นตัวแล้วเมื่อที่าชนะใหญจะยรับสติสมติธรรมดา ให้สี่สมมาตรปัญญาให้สมรรถก่อนจะมโนมิตรเป็นความยั่ยืนแค่ไหนก็ไม่รู้มื่อสายตาอ่านอาแมณ์เพิ่มอัปนันทาวาเน r ยร์นี้ทุกท่านค่รใจอยงเดียกันหลังนี้เราไม่ใจเวลาใจเข้ดไ่ควรหนักเวลาใจออกไม่ต้องขาดเอาแต่รู้แต่นี้ เาพอมีเส no ียเวลาของพัญนานบมดเวลาตอนนี้เป็นหน้าที่รุ่งโค้งคนแนกนำและเขาจแนะนำทันแม่คุณงะแนะนำอะไรสัดทิใจทางนั้นทังนีและก็ไม่เสียอารมณ์อยียงที่มีผลต่อที่นี่สัยขาสะพันตักงใให้ตรงกำลดงติดแม่มันจำลองนู้นเรงลใจเข้าใจออกไต่คำพรณาและพิจารณาตามมณยาใจ ทั่ yang, วไปจะมีการขึ้นยานบอกเวลาครูจะเอาไปแนะนำท่าน